บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปกระแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการศึกษาการพินิจพิจารณาถึงองค์ธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยนนยะต่างๆนั้นพงสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกุศลและธรรม หรือเป็นกลุ่มของอกุศลละธรรมก็ตามจะมีความเชื่อมโยงถึงกันความแตกต่างของกลุ่มธรรมเหล่านั้นเป็นเรื่องของลักษณะอาการแต่ตัวกระตุ้นให้กุศลหรือกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นประการสำคัญยนในกรณีของปฏิจจสมุปบาทที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้น เมื่อตราแยกเกาะกลุ่มออกไปแล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มกิเลสกลุ่มกรรมแล้วก็กลุ่มบิบาคือผลของกรรมในเวลาท่านย่อยออกไปถ้าก็ย่อยได้อีกมากมายหลายกองในกลุ่มของกิเลสนั้นอวิชาก็เป็นกิเลสตัณหาก็เป็นกิเลสอุปาทานก็เป็นกิเลสซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นเหตุที่ต่อเนื่องกัน ตอนนี้ถ้าเราลองสังเกตอาการทางจิตที่เราประสบอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นเราไปในสถานที่ใดทิดหนึ่งจะมีคนเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาในตอนแรกเราก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเมื่อมีการบรรยายมีการชี้แจงคุณโทษให้ไปจากแจ้งแก่ใจ สิ่งเหล่านั้นก็ผ่านมาทางประสาทตาประสาทหูของเราแล้วก็เข้าสู่จิตมันก็กลายเป็นการรับรู้กลายเป็นการสัมผัสพอจิตไปเกิดกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมันเกิดสุขเวทนาขึ้นพอจิตไปกําหนดว่าไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีมันก็มีการรับรู้เป็นสัมผัส แต่ว่าเป็นทกเวทนาเพราะเกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจแล้วถ้าาวท่านลองสังเกตถึงเรื่องอารมณ์แนวแนวนี้ในอดีตที่เราเคยประสบมาแต่ถ้าบัรยายไปบรรยายมาเราเกิดมุนงิงดก็แสดงว่าความปริมาณของความไม่พอใจนั้นสูงมันก็กลายเป็นอาการของวิภวะตัณา ลักษณะเหล่านี้จึงขยายวงกว้างหรือวงแคบออกไปได้โดยลำดับในแนวกลุ่มของกิเลสทั้งสามกลุ่มก็เป็นเช่นเดียวกันคือกลุ่มของวิชานั้นเป็นกลุ่มที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ในเหตุในทุกในเหตุเกิดของทุกในความดับทุกในข้อปฏิบัติได้ถึงซส่งความดับทุก ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทางอดีตอนาคตไม่รู้กฎของปฏิจจสมบัติเลยไม่รู้ไปทางไหนทีนี้พอมีการชี้แจงบอกทางให้หรือเสนอแนะให้หรืออธิบายให้แล้วก็มีการรับรู้ขึ้นมาถ้ารู้ทางไหนก็รับรู้ทางตาหูจมูกนิ้นกายใจแล้วสิ่งที่เรารับรู้นั้นก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นรสเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัส เรากลายเป็นการรับรู้คือวิญญาณเและในสุดก็กลายเป็นสัพพัตถ์้าเกิดยินดีเราเกิดสุขเวทนากรรมตัณหาภาวะตัณหาก็เกิดถ้าเกิดยินร้ายก็เกิดทุกเวทนาวิภวะตัณหามันก็เกิดวันตัณหาที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากอวิชชาซึ่งมันอยู่ในที่มืดนั่นเองในตอนแรกก็อยู่ในที่มืดไม่รู้จะออกทางไหนเปินทางออกแกก็วิ่งออกไป ลักนณะของตัณหาคือการดิ้นรนทะยอทะยานอยากของใจที่จริงการดิ้นของใจนั้นหลังจากเรากําหนดเที่ยก่อนเรากําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจการตัณหาภาะวะตัณหาก็ดิน้นแต่กํากหนดเราไม่น้าพอใจมันก็ถอยคือกลายเป็นวิพาตนาเกิดมาทีนี้ในสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละมันก็กลายเป็นการเกาะจิตการยึดจิตในสิ่งเดียดนั้น ทำให้เรามีการกําหนดสิ่งหรือบุคคลต่างๆในโลกเอาไว้กระนั้วแต่จะกําหนดด้วยปัญหาหรือกําหนดด้วยอวิชาถ้ากําหนดด้วยอวิชานั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกับความมืดบอดอีกปริมาณความมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลนั้นมีความรุนแรงขนาดไหนจนภูสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจะกําหนดฝ่ายตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่จะต้องไล่ล่า คนเราเห็นก็ไล่ล่า ก, กันเลยโดยมันมองตังเหตุถึงผลอะไรบางทีเป็นการไล่ล่าเพื่อจะกินจะกินอิ่มแล้วแต่ยังไล่ล่าอยู่มันแสดงถึงปริมาณของอวิชชาสูงการหาสูงอุปาทานคือการยึดติดมองเป็นศัตรูอยู่มีอยู่สูงอย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงบางเรื่องเช่นวางงูงเอากับพังพรมีกระไม้ตะเคร คนนี้ก็เห็นถึงก็เบียดเบียนทำลายล้างกันเลยก็เราเห็นว่าเป็นกระบวนการที่การเก็บการสะสมความรู้สึกเป็นปฏิปักษเอาไว้ภายในใจยาวนานก็เจอคือเจอก็ถึงก็มองไปในแนวเดิมเพราะว่าจิตไปยึดติดไว้ในแนวนั้นลนักษณะเหล่านี้ก็คือเป็นอาการของอุปาทานด้วยการยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีอาการของอวิชชาอยู่แยะ มีาการต้อตันหาอยู่แยะเหมือนกันเพราะการยึดมั่นถือมั่นในแนวนั้นบางครั้งเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรครอนี้ท่านสาธารชนได้ลองสังเกตดูถึงว่าการพยายามที่จะยัดเยียดวิชาเข้าไปอุปาทานเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลคือเสริมสร้างให้เกิดความยึดปั่นถือมัน่นบางครั้งจิตยาบางอย่าง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเ้าปวดหัวแล้วต้องใช้ยา น, นี้ทุกจิตเพราะคนไปรับแล้วก็ทานยานั้นบ่อยๆมันก็กลายเป็นตัวอุปาทานคือเอาการปวดหัวของตัวเองไปเชื่อมโยงกับยาชนิดนั้นเช่นคราวหนึ่งตนเกิดปวดหัวแล้วก็ทานยาชนิดนั้นแล้วก็หายปวดประกอบกัในชีวิตประจําวันได้อ่านโฆษณาบ้างฟังโฆษณาบ้างได้เห็นโฆษณาบ้าง แต่ละอย่างนั้นมันก็เพิ่มไอเงื่อนไขที่ให้เรายอมรับถึงความดีงามของสิ่งเหล่านั้นโดยกลายเป็นคนติดยาจะนิดนั้นบางครั้งมางคราวไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องทานยาเหล่านั้นเจอ ก, ก่อนจึงจะหายปวดหัวอย่างไม่ติดยาแก้ปวดกันอยู่เป็นอันมากนี่แต่จริงแล้วเป็นลักษณะของอุปาทานคือใจมันไปเก็บกดเอาไว้ จนยอมรับแล้วก็ไม่ถ่ายถอนออกมาตราบใดที่เขาแยกเรื่องนี้ออกจากกันไม่ได้การยึดติดในแนวนี้ก็จะต้องมีอยู่ตลอดไปแล้วก็พร้อมที่จะแพร่เชื้อเหล่านี้ไปสู่บุคคลอื่นโดยใช้ตัวเองเป็นเงื่อนไข่ยายจนวันตัวเองเคยหายปวดหัวด้วยยาจานิตันก็ไปบอกเพื่อนเรื่อยๆไป แล้วคนอื่นยอมรับก็ซึมซับเหตุผลที่คนนี้ก็ให้อยู่บ่อยๆในสุดก็กลายเป็นตันหาเป็นอุปท า, านแล้วก็ยึดติดแม้แต่จำพวกอาหารทั้งหลายที่เราชอบปักใจฝังใจกันด้วยประการต่างๆแต่จะว่าในในแง่ของคุณค่าต่างอาหารที่จริงมันไม่มีอะไรแล้วก็คนเหล่านั้นรู้ด้วยสามว่าไม่มีคุณค่าต่างอาหาร แต่ใช้แต่อาศัยอุปาทานที่เก็บสะสมไว้ตลอดการยาวนานตั้งแต่เด็กๆแกเก็บเอาไว้แกเวลเจออาหารแม้จะดีกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าแต่ว่าอาหารเรานั้นแกก็ไม่มีอุปาทานอยู่ก็ไม่รู้สึกอ ร, อร่อยอะไรแต่พออาหารที่มีอุปาทานอยู่มันก็กลายเป็นความอ ร, อ ร, อร่อย การเงื่อนไขในการโฆษณาต่างๆที่เขามีอยู่ในที่ต่างๆว่าจะเป็นโฆษณาเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรายอมรับบางกระบวนการมัน ก, ก็หลเพราะเราเริ่มที่จะอวิชชาเหมือนกันเราก็ไม่รับรู้มา่ก่อ น, นก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเมื่อมีการโฆษณาสิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านมาทางอายตนะเกิดการรับรู้เป็นวิญญาณเกิดการสัมผัสเกิดการกระทบใจก็กําหนดว่าดีหรือไม่ดีก็จะคล้อยตามเขา ก็ซึมซับมาในนาในนาที่เพิ่มความคลายความปรารถนาความพอใจถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็จะซึมซับมาในด้านไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจพวกก็กลายเป็นตันหาความได้ความนึ่งแล้วในสุดพวกก็กลายเป็นตัวอุปทานเจนพวกอาหารอร่อยอะไรต่างๆที่มีการขนมอร่อยอาหารอร่อยอะไรที่โฆษณาอย่นี้คือถ้าเราไม่รับรู้มาก่อนอาหารชนิดนั้นก็คืออาหารชนิดนั้น มันก็ไป็นดีพิเศษอะไรขึ้นมาแต่สำหรับคนที่มีอุปท า, านอยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะอเดเอร่อยพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะเดินทางไปเพื่อรับประทานอาหารชนิดนั้นจนถึงในที่ในต่างประเทศบางแข่งอย่าในประเทศฝรั่งเศสมีอาหารที่แพงมาคือมาและคนก็สามารถมาจากส่วนต่างๆของโลกเพื่อรับประทานอาหารเหล่านั้นได้ แต่อาหารจานนั้นแหละสําหรับคนที่ไม่มีอุปาทานไว้ก่อนเมันก็คืออาหารธรรมดาไม่ได้ดีพิเศษอะไรขึ้นมาเพราะลักษณะของอุปาทานจะกลายเป็นปัญหาที่น่าจะมองอยู่ประการหนึ่งก็คือว่ากลุ่มของบุคคลสองกลุ่มคือกลุ่มที่ทําประโยชน์เพื่อตนเองกับเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนั้นเพิงสังเกตว่า ในแนวการสอนศาสนาแนวประชาสัมพันธ์หรือแนวเชิญชวนจักชวนอะไรก็ตามที่มีลักษณะเสริมสร้างอุปท า, านในเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายจนกลายเป็นเงื่อนไขที่ยอมรับถึงความผูกพันจนแยกกันไม่ออกระวังตนกับสิ่งนั้นแล้วตัวอย่างเช่นเครื่องรางของขลัง กำลางของครังในที่บางท้องฉินซึ่งมีลักษณะมันเริ่มมาจากอาวิชชาแล้วก็กลายเป็นการรับรู้ธรรมศาสตร์สัมผัสมันก็ไหลมาถึงกระบวนการขอุปาทานอุปาท า, า, านส่วนหนึ่งนั้นเป็นการซึมซับมาตั้งแต่เป็นเด็กๆคืออยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแน่เหล่านี้จริงๆมีอยู่ทุกส่วนของโลกแล้วก็มีอยู่ทุกศาสนาแต่ปัญหาสำคัญว่าเอาอะไรเป็นตัวอุปาทานแต่นั้นเองครณหนี้ก็ซึมซับมาโดยดําดัก บางครั้งบางคราวนั้นจะมีการเชื่อมโยงระหว่างความเดือดร้อนของตนเองกับความสุขความสบายของตนเองเช่นว่าไปในที่ใดที่หนึ่งก็มีภัยอันตรายแล้วเราก็ไปพกพาสิ่งที่เรียกว่าครั้งศักดิ์สิธิ์เข้าไปาก็พ้นภัยอันตรายเราก็เชื่อมโยงระหว่างการปลอดภัยปลอดอันตรายกับเครื่องรางสองตัวนั้นถ้าการแยกใจ ย, ยังแยกไม่ออก วความปลอดภัยอันตรายก็คือปลอดภัยอันตรายเครื่องรางของขลังก็คือเครื่องรางของขลังแกก็ต้องเอาผูกโยงไว้ตลอดไปทํานองที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องดาวหางหันเล่ห์นันเป็นลักษณะของอุปาทานที่สะสมผ่านยุคผ่านสมัยมาถึงเจสบกว่าปีในแต่ละยุคแต่ละสมัยคนเราเกิดมาถึงกว่าจะมีดาวหางหันเล่์โผล่ขึ้นมาแต่ครั้งหนึ่งนั้นก็สะสมอุปาทานเอาไวไ้เป็นอันมาก มีความเลวร้ายต่างๆที่คนรุ่นก่อนบรรยายเอาไว้แล้วเราเองเราก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยเพราะเรามีวิชามาตลอดมืวิชาก็มีตันหาคืออยากดูหรืออาจจ ะ, ะวิปวะวิปวะตันหาคือไม่อยากดูไม่อยากยไม่ต้องการในดาวหางเหล่านั้นมันก็โผล่เข้ามาแต่ดาวหางนั้นคือเรื่องจักรราศีมาถึงท่าว่าก็โผล่มา พอโผล่มาเนื่องจากใจเราได้ยอมรับเงื่อนไขเรานี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าดาวหางอันเลขโผล่มาแล้วจะมีภัยมีอันตรามีความเดือดร้อนมีสาธารภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากในช่วงที่ดาวหางอันเลข่ปรากฏ น, นั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ของดาวหางอันเล่ทั้งหมด ในเห็นไม้พระดาวหาเงินเลขก็ปรากฏแล้วภัยอันตรายเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นมาอย่างนั้นเองก็ว่ากันไปเรื่อยๆทีนี้มันก็เสริมอุปท า, านจากที่มีอยู่ก่อนให้มากยิ่งขึ้นเพรอุปท า, านแก่เข้มข้นขึ้นเนี่ยไอตัวตัณหาเองก็เข้มข้นขึ้นตัวตัณหาในแนวนี้ก็คือพวกวิภาวะตัณหาเมื่อวิภวตัณหาเข้มข้นเอวิชาองแกเข้มข้นเพราะงั้นลืมมองในอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งว่า เป็นปกติธรรมดาของโลกเศรษการนั้นทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางกางเกิดขึ้นในโลกซ้ำซ้ำซากซากตลอดทุกวันแม้ภายในใจเราก็มีเหตุการณ์สามอย่างเกิดขึ้นทุกวันลนักษณะทางความคิดจิตใจเราเองก็มีอาการทั้ง3านั้นปรากฏอยู่ทุกขณะดีไม่ดีหรือกลางกลางตอนั้นเองทิ้งช่วงนานบ้างทิ้งช่วงไม่นานบ้างแต่ก็มีปรากฏการอยู่เพียงสามอาการทอนนั้นเอง แล้วเหตุการณ์ที่ดีงามซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวหางงานเล่ปรากฏล่ะเป็นอิทธิพลของอะไรเราไม่ได้คิดจะสอบถามเพรอะวิชาบัญญาตนาก็มากอุปท า, านก็มากในสุดก็มองกันในแนวเดียวแต่ถ้าเรามองในแนวปัญญาเราจะเห็นว่าผู้เจ้ามองให้แยกออกอเช่นปลารบถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่ง ต้องการจะส่งลูกสาวไปสู่สกุลของสามีแต่ว่าเลิกไม่ดีสักทีปัดแล้วปัดอีกจนถึงครั้งที่สามไข่ผู้ชายเห็นว่าจะคอยไม่ไหวแล้วพ่อแม่เขาก็จัด ก, การให้แต่งงานกับผู้หญิงอื่นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไมข้ขันมาก็ไปควาาพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงดแสดงว่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์น ดาวในท้องฟ้าก็คือดาวในท้องฟ้านั้นประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรได้เพราะถ้าหากว่าอิทธิพลของดงดาวสามารถดลบันดาลให้เป็นไปได้จริงๆเราก็คงจะต้องดลบันดาลกันแลวคนก็คงไม่ต้องทำอะไรกันอยากได้อะไรก็ขอดวงดาวดวงดาวก็บันดาลมาให้แล้วก็ในโลกนี้ก็คงไม่มีกฎแล้วเพราะว่าคนนั้นมีตัณหาอยู่มาก พอสมมติถ้าเกิดบันดาลได้จริงๆต่างคนต่างก็อยากจะให้เทวดาบันดาลหรือดาวบันดาลให้ดาวบันดาลให้จริงๆได้ตามที่เราต้องการแล้วเราแข่งใหญ่แข็งกว้างแข่งยาวแข่งสูงในที่สุดโลกก็จะถูกท่วมทับด้วยสิ่งที่ดวงดาวบันดาลให้แล้วคนในโลกก็จะตายไปแต่ความคิดจะไม่เป็นระบบตราบใดที่ยังมีตันหามีอุปาทานอยู่เพราะปริมาณของอวิชาแก่ก็จะเข้มข้นสูงขึ้น เพาแนวเครื่องรางของขรังที่เขาแพร่หลายมาได้ส่วนหนึ่งก็คือการสะสมอุปาทานไว้ในปัจจุบันแล้วคนเหล่านี้เมื่อตัวไปประสบมันก็แนวเดียวกันโฆษณายาที่ว่ามาแล้วก็คือว่าตนหายปวดโดยยาชนิดนั้นจนกลายเป็นอุปาทานไปแล้วก็ไปเผยแพร่แก่คนอื่นคนชุดนั้นพอถึงเรื่องรางของขรังมันก็มีแนวเดียวกันก็คือ ไปพบคนซึ่งประสบ ป, ปัญหาเช่นเดียวกับที่ตนเคยประสบแล้วก็ตนรู้สึกว่าตนรอดจากภัยอันตรายเหล่านั้นเพราะเครื่องรางของครังตัวนั้นก็นามาเผยแพร่แก่เพื่อนฝูงที่จริงก็หวังดีคนนี้ก็รับเงื่อนไขเหล่านั้นเออก็ทดลองดูทดลองดูก็เป็นตันหาที่ยังอ่อนอวิชาก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอดีบังเอิญมันเกิดปลอดภัยอันตรายขึ้นมาอุปทานก็เต็มที่ตันหาก็เต็มที่ พร ก, กลายเป็นการยึดติดพวกนี้ก็แพร่เชื้อไปสายเนี่ยอาจจะดึงคนมาจากวงนอกเข้าไปในสุดบางทีหนังสือพิมพ์ก็ไปโฆษณาหาข่าวขึ้นมาไปเผยแพร่พเป็นข่าวมันก็เริ่มจากอาวิชชาคือคนก็สงสัยเป็นอาการของวิชาสงสัยก็คิดไปคิดมาเออมันก็น่าจะไปดูน่าจะไปดูก็ไปเอามาทดลองดู แต่คนที่ไม่ได้ผลนั้นไม่โฆษณาหรอกคนที่ได้ผลก็จะโฆษณามันก็ได้แนวร่วมแต่ได้ร่วมเพิ่มขึ้นนั้นคือกระบวนการเลื่อนไหลของบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นกระบวนการคือออกมาสู่ภายในจิตใจของบุคคลมันก็แพร่หลายสืบสืบพบสืบชาติแล้วก็สืบชั่วอายุคนออกมาได้โดยลำดับเพราลักษณะเหล่านี้จึงเป็นอาการของตัญหาของอุปาทาน ซึ่งมีสืบเนื่องมาจากอวิชามีการกระทาในลักษณะที่เสริมสร้างอุปท า, านปรากฏอยู่เป็นอันมากในโลกนี้ในสายของศาสนาในสายของวิยศาสตร์ในสายของเ่ิงผานาทีในสายของธุรกิจต่างๆจะพยายามปลูกฝังให้บุคคลเกิดอุปท า, านคือความยึดปั้นถึงมั่นแล้วเอาตัวเองไปผูกพันไว้กับสิ่งเหล่านั้น ในที่สุดกิจกรรมเหล่านี้ของบุคคลเหล่านั้นก็จะเริญสืบต่อกันไปไม่ว่าจะเป็นสายยาเป็นสายเครื่องใช้หรือเป็นสายอะไรก็ตามคือก็โฆษณาปักเป็นเงื่อนไขจนไม่มีการเปรียบเทียบเลยเช่นสมมติว่ายาแก้ปวดเขาโฆษณาจนคนเขาไม่ยอมมองยาขนาดอื่นเพราะกลายเป็นอุปาทานทีนยึดมัน่นหรือมัน่นไปแล้วในที่สุดคนนี้ก็กลายเป็นทาาที่ปล่อยไม่ไป เรต้องซื้ อ, อยาเขาตลอดชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องมือในการโฆษณายาให้เก่เขาด้วยการกระทําของกลุ่มเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ทําเพื่อตัวเองซึ่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเราย่ารับเงื่อนไขรับอุปท า, านเหล่านี้แล้วเนี่ยมันไปได้แล้วก็เดินได้อย่างไม่น่าเชื่อทําทไมจึงไปได้มันไปได้ ในสมัยพุทธกาลที่ปลูกฝังอุปาทานมาลึกๆจนกลายเป็นความยึดมั่นหรือมั่นแล้วกลายเป็นศีลวัดต่างๆที่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่คนบางคนลอกเรียนกิริยาของสุนัขเรียกว่าสุนัขวัดปฏิบัติตนแบบสุนัขทั้งหมดท่านภาคภูมิท่านกระยิมท่านชื่นชมกับการกระทําเช่นนั้นของท่านท่านสง่ามากเแล้วท่านอยู่ด้วยอุปาทานของท่าน แล้วก็อยู่ได้ก็สืบทอดมาถึงคนทั้งหลายได้โดยไม่ได้คิดในเหตุโดยผลอะไรเลยเมืม่อกลายเป็นลัทธิกลายเป็นศาสนาขึ้นมาได้หรือแม้แต่ลักษณะความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในศาสนาบางศาสนาที่เรียกศาสนะตัวเองว่านิคันธะแปลว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดคำว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดก็คือกานถะไ้แกกิเลสแต่ท่านไปตีความว่าผ้านุ่งขม ปานก็ไม่นุ่งผ้าเลยถือว่าไม่มีเครื่องร้อยรับแล้วก็ตั้งภาพภูมิกับการกระทำเช่นนั้นของท่านตายกาพยิกาของท่านที่เกิดศรัทธาเรื่มสายก็รู้สึกชื่นชมกับนักบวชจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นนั่นคือการเสริมสร้างอุปทานมันก็กลายเป็นกลุ่มบุคคลมาึ้มาที่มีอยู่ในโลกนี้ถูกเชื่อมโยงว่าด้วยผลประโยชน์ของบุคคลในชี้นาความคิด เพราะคนอยู่ท่ารางวิชาดึงเข้าสู่ประแสตันหาตามที่เขาคุมทิศทางเอาไว้คนก็อุปทานคือยึดติดในเรื่องเหล่านั้นแต่แม้แต่การสอนในรูปศีลวัดต่างๆปฏิบัติอย่างนั้นจะครั้งจะศักดิ์สิทธิ์จะสามารถบรรลุคุณพิเศษต่างๆได้แต่ก็ตอกย้ำอยู่เรื่อยๆคนไม่เคยคิดอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งแต่จะคิดอยู่แง่เดียวตามที่เขาเสนอเงื่อนไขให้คิด คนกลุ่มนี้ยังมีอยู่มากในโลกแต่ลองสังเกตว่าต้นตอที่มาของความคิดคือเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ตัวเองเห็นประโยชน์แก่ตัวเองที่ตัวเองจะได้แล้วก็สั่งสอนในลักษณะเสรมิมหมปาฏานเสริมไม่ติดยาแรงๆก็นักษณะเสริมหมูปาฏานจนเป็นท่าของสิ่งเศษติดที่จริงอาวิชาก็มากตันหาก็มากอุปาฏานิย์ก็มากเข้มข้ น, ม, นมันก็กลายเป็นอัตยักกรรม บางอย่างก็รองลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับมีโทษรุนแรงน้อยลงแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ถูกสนทผายอยู่คือต้อ ง, งเชื่อมโยงกับแ ก, กจะรักษาโรคก็ต้องไปหาแก่จะกินยา น, นั้นก็ต้องไปหากแก่ก็มีลักษณะสร้างคนขึ้นมาเป็นภาสความคิดของตัวเองแนวนี้จึงมีแม้ในลัทธิศาสนาต่างๆหรือเสริมสร้างอุปท า, านให้แกคน คนก็ยึดติดอยู่ในสิ่งที่มีการเสนอตอนนั้นแล้วก็ภาพภูมิเกิดปีติเกิดปราโมชขึ้นมาจากการกระทำเช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับกลุ่มของบุคคลที่ประกอบอรนด雅กรรมต่างๆแล้วก็ยกจ้องพ่อ ย, ยอขึ้นมาในหมู่พวกองตัวเองมืก่กกลายเป็นคนเด่นคนดังขึ้นมาได้ในหมู่เขาแล้วก็ภาพภูมิในการกระทำตอนนั้น เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความเห็นแก่ตัวเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องมือของตัวเองเพราะาเครื่องมือเหล่านั้นที่จริงก็มีเชือเช้อก็อวิชาตันหาอุปาทานถูกมากมันก็พร้อมที่จะเพิ่มเชื้อขึ้นมาแล้วก็คุมทิศทางไปได้ให้เดินไปสู่เป้าหมายตามที่เราต้องการได้คล้ายๆกับรถที่มีความพร้อมอยู่แล้วก็ยังขาดคนขับก็ขับเลยก็ไปสู่ทางที่ตัวต้องการจะให้ไปแต่พระศาสดาของเรานั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น พระเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นโลกกันายกเป็นโลกกันนาฏคือที่พึ่งของโลกเป็นโลกเป็นโล ก, กานุกรรมปรโกคือทรงอนุเคราะห์โลกวิธีเสริมสร้างอุปาทานในรูปแบบต่างๆที่มีกันอยู่ในสมัยไหนๆก็ะตักพระเจ้าสอนให้ถอนผู้อุปาทานคือความยึดติดในรับษ่านั้นแล้วก็ถอนมาตั้งแต่ปฐมเทศนา กณีมั น, นมสังเกตว่าอันตัญราบรรฐานุโยคที่มีการทรมานร่างกายโดวยวิธีการต่างๆนั้นที่จริงไม่ใช่ไร้สาระโดยประการทั้งปวงเมื่อก็ไปได้พอสมควรก็ทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกภาคภูมิใจปีติเ อ, อิบอิ่มได้พอสมควรและถ้าท่านประพฤติปฏิบัติที่ไม่นอกฤตนอกรอยเกินไปท่านก็ปิดประตูท่านก็สามารถที่จะบังเกิดในสุคติได้แต่ว่าบรรลุมพระโพธิญานไม่ได้แต่นั้นเอง เพราคนเหล่านั้นอยู่ด้วยอวิชชาแล้วก็ปักใจซึ่งท่านให้ลองสังเกตความคิดของท่านปัญจพคีตนั้นก็คือลักษณะถ่ายทอดแบบอวิชชามาท่านก็มีตันหานท่านก็มีอุปาทานคือไปยึดติดท่านเอาตัวกับการทรมานร่างกายด้วยทุกรกิริยาไปเชื่อมไปติดไว้กับการสัตยรูปหมายความว่าบุคคลจะสัตยรูปได้ก็ต้องทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายก็จะไม่สัตยรูป อุปท า, านตัวนี้ตราบใดที่ยังตัดไม่ออกตราบนั้นไม่มีทางทำอะไรได้พอพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนวิธีบำเพ็ญเพียรทางใจมันก็ขัดแย้งอุปท า, านของท่า น, นถ้าก็เกิดเป็นโทสะไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วโธสะแรงสลายความจงรักภักดีความเป็นมิตรสนิทสนมเกื้อกูลกันมาเป็นเวลานานตลอดถึงความเป็นรัฐาาติแห่งก บ, บินลพั เพราว่าโทสะแรงมากเพราะอุปทานก็แรงเพราะอุปาทานที่แรงแรงนั้นจะเกิดโทสะแรงก็คล้ายๆกับพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มีลูกช้างห้อมล้อมทั้งหลายนั้นถ้าเราไปขัดคอเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วพวกลูกช้างจะโกรธมากแต่พวกนั้นจะมีทั้งตัณหาทั้งอุปาทานเพราะอะไรเพราะว่าเราเขากลัวว่าถ้าเราไปชี้แจงเหตุผลอะไรให้แล้วคนจะไม่เคารพนับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ของเขา เมื่อคนไม่เคารพนับนถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ของเขาคนก็จะน้อยผลประโยชน์ก็จะน้อยเขาก็จะได้น้อยเพราะจึงเป็นแรงดันของตานหาและอุปาทานที่แปลงก็ไปเป็นโทสะไปต่อต้านไปทําลายล้างตลอดจึงทีก็ไปฆ่าคนที่ไม่ชี้แจงเหตผลให้เกิดความเข้าใจเพราะในกระบวนการเหล่านี้เราก็พบเห็นกันอยู่ในที่ต่างๆแต่แม้แต่พวกการบรสุขธิ์าริการนโยกเองมันก็กลายเป็น อุปท า, านประการหนึ่งซึ่งมีการปลูกฝังกันขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดกันไปที่จริงมันก็ดีในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีโดยประการทั้งปวงแต่เป็นการกระทำของกลุ่มผลประโยชน์ที่จะได้ผลประโยชน์จากกลุ่มคนที่ตัวปลูกฝังอุปท า, านเหล่านี้เอาไว้พเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในรูปของการถอนอุปท า, าน ที่นี้การถอนอุปทานออกไปนั้นเป็นสังเกตว่าผลประโยชน์แทนที่พระพุทธเจ้าจะได้บุคคลผู้ถอนอุปทานานั่นแหละจะได้แม้แต่เกิดศรัทธาความเคารพนับถือเทอิดทูนในพระพุทธเจ้าที่ต่อกันมาก็กลับเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้แก่บุคคลเหล่านั้น อย่างพระพุทธเจ้าได้ก็เพียงแต่อาหารร บ, บินละบาทเพียงแต่อะไรเล็กรน้อยเราส่วนอื่นของพระองค์สมบูรณ์หมดแล้วบริบุ์หมดแล้วอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั้นจึงเป็นโลกิยะที่ชัดแจ้งแล้วก็สร้างเงื่อนไขต่างๆให้เกิดขึ้นภายในสังคมเป็นแบบนั้นต่อขณะการถ่ายถอนอุปทานแบบพุทธวิธี จิงมีการพยายามถ่ายถอนในลักษณะขัดเกลาหรือขูดเกลากันมาโดยลำดับพอจะให้ถูกต้องสมบูรณ์จริงๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้ให้เราสังเกตว่าโลกนั้นมีความรู้สึกอยู่ท่ามกลางความมืดเกอวิ ช, ชาแล้วก็มีตัณหามีอุปาทานเป็นยึดติดในลักษณะที่เห็นต้องไล่ค่ากันเลยแบบสัญชาตญาณสัตว์ ป, ป่าพระเจ้าก็ทรงสอนเรื่องฐานเรื่องศีลเอาไว้ คือแทนที่จะมองเป็นฝ่ายที่จะต้องไล่ล่าก็มองเป็นฝ่ายที่ควรแก่การงดเว้นไม่เบียดเบียนประทุษรายกันหรือถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นก็สามารถส่งข้อตกล ง, งกันได้โดยระบบของฐานการงดเว้นไม่เบียดเบียน ป, ประทุสร้ายกันนั้นก็ด้วยระบบของสิท์และในภาคปฏิบัติธรรมะที่จริงยังมีตัญหายังมีอุปาทานอยู่แต่ถูกคุมเอาไว้มีความเป็นเราเป็นเขา ลดน้อยลงมีความเป็นเรากับพวกเราเพิ่มขึ้นแล้วขายายความรู้สึกเป็นพวกเราออกไปเรื่อยๆจนถึงเป็นสัพเพสัตตาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นหมายความอุปาทานนั้นมันมีแต่มันก็จางลงจางพอที่จะไม่คนไปเบียดเบียนประทุษร้ายกันล้างผลาญกันอย่างที่มีอยู่เป็นปกติธรรมดาของ แต่นี่ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป